ดลอนพอรท่านศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่10มกราคมพุทธศักราช2546ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือนยี่ปีมาแมเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรเป็นวันฟังธรรมเป็นปกติของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ที่จะเข้าวัดกันในวันพระเป็นประจำเพราะมีความศรัทธามีความเชื่อว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีเพียงแต่พวกนี้ชาตินี้เท่านั้นแต่เป็นเพียงแต่พบหนึ่งในหลายๆพบแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารที่มีการขึ้นและมีการลงขึ้นอยู่กับ การกระทําของแต่ละคนในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าทําบุญทํากุศลภพชาติก็จะเป็นภพชาติที่ดีตามมามีแต่ความสุขความเจริญมีโอกาสที่จะได้บําเพ็ญสะสมบุญกุศลให้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปจนถึงจุดหมายปลายทางของการเวียนว่ายตายเกิดคือสิ้นแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ก็อาศัยการประกอบคุณงานความดีทำบุญทำกุศลอย่างต่อเนื่องในแต่ละภพในแต่ละชาติแต่ถ้า <c oughs> ก็ททำแต่บาปกรรมอกุศลทั้งหลายภพชาติก็จะเวียนสู่ภพชาติที่ต่โอกาสที่จะได้มีโอกาสสะสมบุญสะสมกุศลก็จะมีน้อยโอกาสาที่จะเดินไปสู่ การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็แทบจะไม่มีเลยเพราะเกิดจากความไม่เชื่อไม่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าภพชาติมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงกรรมมีจริงทำดีย่อมมีความสุขและเมื่อตายไปย่อมได้ไปเกิดที่ดีต่อไป เพื่อที่จะได้บำเพ็ญบุญบารมีเมื่อไม่เชื่อในสิ่งนี้ก็ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโดยเชื่อว่าภพนี้ชาตินี้มีเพียงชาติเดียวภพเดียวเมื่อฉะนั้นควรจะตักตวงหาความสุขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยวิธีใดก็ได้ถ้าหาความสุขด้วยวิธีที่สุดจริตก็จะหา าหาไม่ได้ด้วยวิธีสุจ ร, สจริตหาด้วยวิธีทุจริตก็จะเอาเพราะไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมาต่อไปในภพหน้าชาติหน้าเพราะมีความเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วจะต้องสูญคือทุกสิ่งทุกอย่างก็จบกันเมื่อร่างกายนี้แตกดั บ, บสลายไปแล้วจึงทาแต่บาปแต่กรรมอยู่ และเมื่อตายไปก็ต้องไปเกิดในที่ต่างไปสวยทุกภพชาติในาบายนั่นเป็นพบชาติที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญทำกรรมไอทาบุญทากุศลเพราะเป็นพบชาติที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความต่อสู้กันแย่งกันต่างๆนานาเช่นพบของเดรฉานนั้น เมื่อได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานโอกาสที่จะทำบุญทำกุศลนี้เป็นไปได้ยากเพราะจะต้องต่อสู้รักษาชีวิตของตนด้วยการทำร้ายชีวิตของผู้อื่นแต่ถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีความเชื่อมีความศรัทธาว่าภพชาติของแต่ละภพนั่นเป็นเพียงแต่ที่ เรามาสะสมบุญสะสมกุศลเลิกบาทกรรมถ้าเราอยากที่จะดำเนินชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขความเจริญความไม่มีทุกข์ทั้งหลายเราก็จะมุ่ง ม, มั่นประกอบแต่คุณงามความดีสะสมบุญกุศลอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกัน อย่างต่อเนื่องในทุกวันพระนี่เป็นวิธีสะสมบุญสะสมกุศลทําให้การมาเกิดในพวกชาติของ ม, น, มนุษย์นี้ไม่ขาดทุนเพราะจะได้บุญเพิ่มขึ้นจากเก่าที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็อาศัยบุญเก่าที่เราได้ทําไว้ในอนดีตแล้วเมื่อเราได้มาเกิดเราก็ควรที่จะทำบุญให้มากเพิ่มขึ้นไป เพราะว่าชีวิตของมนุษย์นี้ก็เปรียบเหมือนกับพาหนะอย่างหนึ่งเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์ก็มีไว้เพื่อที่จะพาผู้โดยสารให้เดินทางจากจุดหมายจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นชีวิตของมนุษย์ก็เป็นเช่นนั้นชีวิตมนุษย์นี้ก็เป็นเหมือนกับพาหนะเป็นรถยนต์ที่จะนําพาจิต ของแต่ละคนนั้นไปสู่การสิ้นทุกข์การมีแต่ความสุขอย่างเดียวนะดังที่พระพุทธเจ้าและพระอหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ดำเนินไปถึงคือท่านได้สะสมบุญสะสมกุศลบารมีในแต่ละพบในแต่ละชาติที่เดินมาเกิดเป็นมนุษย์และเมื่อท่านตายจาก มนุษย์ไปแล้วผลบุญนี้ก็จะส่งให้ท่านไปสวยสุขในสวรรค์บ้างเมื่อหมดหมดหมดบุญจากสวรรค์ก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อได้กลับเป็นมนุษย์ก็ได้มาสะสมบุญบารมีทำอย่างนี้ไปหลายภพหลายชาติวนไปเวียนมาแต่วนเวียนอยู่ในสุขติคื อ, อยู่ในภพชาติที่ดีชบภพบชาติที่มีแต่ความสุขและความเจริญ น้อยครั้งที่จะวนไป <c oughs> สู่อบายหรือทุกขติที่เป็นภพชาติที่มีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเมื่อยังเป็นปุถุชนอยู่ย่อมมีการทำทั้งบุญและทำทั้งกรรมเมื่อต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็ต้องต้องก็ต้องใช้ใช้ใช้กรรม ที่ตนเองได้ทำมาแต่ก็พยายามรักษาไม่ให้ตนเองตกไปต่ำกวาที่นั่นถึงแม้จะเป็นเนราชาญก็จะขอให้เป็นเนราชาญ ท, ที่ดีที่มีมีความกตัญญูกะตะเวทีมีการไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าไม่จำเป็นนอกจากรักษาชีวิตของตนไว้เมื่อตายไปเมื่อกรมที่ไม่ดีทั้นหมดไป แล้วบุญที่เคยได้ทำไว้ในอนดีต <c oughs> ก็จะส่งให้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก <c oughs> และเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์เรามีโชควาสนาที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนา <c oughs> เจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ซึ่งเป็นความจริงเกี่ยวกับชีวิตของพวกเรา <c oughs> ทุกคน <c oughs> ว่าเราจะต้องเป็นอย่างไรไปอย่างไรถ้าเรากระทำสิ่งต่าง เมื่อเราได้ยินได้ฟังถ้าเป็นคนฉลาด <c oughs> ก็จะมีความเชื่อ <c oughs> เชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วพยายามพยายามประพฤติปฏิบัติตามเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะใช้ร่างกายหรือพชีวิตชาติของมนุษย์นี้ให้เป็นคุณประโยชน์กับกับตัวเรา คือสะสมบุญกุศลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะได้กลายเป็นพระพุทธเจ้ากดีหรือพระอรหันตสาวกกดีก็เกิดจากการสะสมบุญบรารมีในแต่ละภพในแต่ละชาติด้วยด้วยความเชื่อในเรื่องของกรรมเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดและเชื่อ ว่ามีการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะเกิดขึ้นจากการทำบุญทำธรรมกุศลเท่านั้นนี่แหละทำไมเราจึงต้องมาที่วัดกันทุกทุกวันพระเพื่อที่เราจะได้เติมน้ำมันของรถยนต์ที่จะพาเราไปสู่ความสุขความเจริญ พาเราไปสู่ความสิ้นแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นทุกนั่นเองเราจึงต้องมาที่วัดเพราะเมื่อมาที่วัดแล้วเราจะได้เตามน้ำมันหลายอย่างด้วยกันจึงอยู่คนบางคนบอกว่าไม่ต้องมาวัดก็ทำบุญได้ก็ทำได้เพียงบางส่วนเหมือนกับคนที่จะรักษาโรคภัยไข้เจอ็อยู่ที่บ้าน ก็รักษาได้ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลก็รักษาได้เหมือนกันแต่รักษาไม่ได้ทุ ก, ทกโรคทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนกับไปที่โรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลมีหมอมีเครื่องมือมียาพร้อมที่จะรักษาโรคได้ทุกโรคฉันใดการมาวัดก็เป็นเช่นนั้นการมาวัดจะได้ทำบุญหลายชนิดด้วยกัน ได้เติมน้ำมันหลายชนิดเพราะรถยนต์นี้ก็จะต้องมีน้ำมันหลายแบบมีทั้งน้ำมันเบนซินมีทั้งน้ำมันดีเซลมีทั้งน้ำมันเครื่องมีทั้งน้ำมันเบรกมีทั้งน้ำกลั่นน้ำที่จะเติมเติมในหม้อน้ำอยู่ที่บ้านอาจจะไม่มีน้ำมันครบทุกอย่างถ้าไม่ไปที่ปั๊มน้ำมันก็ไม่สามารถจะเติมน้ำมัน ลัดน้ำให้ครบเพื่อที่จะได้ให้รถยนต์นั้นได้เดินทางไปได้อย่างไม่มีปัญหาฉันใดการทําบุญที่วัดจึงได้ประโยชน์มากกว่าการทําบุญที่ที่บ้านเพราะที่บ้านอาจจะทําได้ในบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ทําได้ทุกอย่างเหมือนกลับมาที่วัดมาที่วัดนี้ได้ทั้งการทําบุญตักบาต ได้ทั้งการสมาทานศีลรักษาศีลได้ทั้งการบูชาพระรัตนตรยัยได้ทั้งการฟังเทศฟังธรรมและถ้าอยู่ที่วัดค้างคืนก็จะได้ปฏิบัติธรรมได้บำเพ็ญจิตภาวนามีการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิและเจริญวิปัสสนาซึ่งเป็น บุญที่มีความจำเป็นต่อการจะทำให้การเวียนว่ายของตายเกิดของเรานั้นอยู่ในภพที่ดีอยู่ในสุคติและพาไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในลำดับต่อไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงกำหนดให้มีวันพระขึ้น อย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ปล่อยวางภารกิจการทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาเข้าวัดเพื่อจะได้เติมน้ำมันเติมบุญเติมกุศลเพื่อที่จะได้ส่งให้ชีวิตของเราคือจิตวิญญาณของเรานั้นไปสู่ที่ดีต่อไป ในในเวลาที่ตายไปแล้วจากภพนิชาตินี้เรามักจะได้ยินเสมอเวลาคนตายกันเรามัาจะพูดว่าขอให้ไปสู่สุคติเถิดแต่การขอคือความปรารถนาดีนั้นไม่สามารถที่จะพาให้ผู้ที่ตายไปแล้วได้ไปเกิดในสุคติได้ต้องเกิดจากการกระทมของแต่ละคน เวลาตายไปแล้วจะนิมนต์พระมาสวดกุศลามาทาบุญทากุศลให้ก็ไม่เกิดประโยชน์กับคนที่นอนอยู่ในรงยศนอนอยู่ในรงเพราะคุณตายไปแล้วไม่สามารถกระทำทำบุญได้ไม่สามารถฟังธรรมะได้นั่นเองที่เขานิมนต์พระมาสวดั้นความจริงเขานิมนต์มาให้สวดให้คนเป็นมากกว่า คือญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายที่ไปในงานศพนั้นเพื่อจะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมถ้าฟังแล้วไม่เกิดความเข้าใจแต่ถ้าฟังด้วยความตั้งใจจิตก็จะสงบและเมื่อมาที่งานศพของเพื่อนนก็จะได้มีโอกาสเจริญปัญญาคือได้ปรงสำขาน ตรงอนิจจังทุกขามนตตาถ้าเราเวลาไปงานศพแล้วเราไปเราลึกถึงว่าเพื่อนของเราคนนี้เมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราเขาก็มีลมหายใจเขาก็มีความสามารถที่จะทำอะไรได้แต่ในวันนี้เขาทำอะไรไม่ได้แล้วเขามีแต่รอให้นาเอาเข้าไปในเตาไฟเตาเต า, เตาไฟเพื่อที่จะ เผาให้หมดสิ้นซากไปแต่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีโอกาสที่จะทําอะไรได้และต่อไปไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาเช่นกันเราก็จะต้องไปนอนในโรงให้เขานิบบนพระมาสวดแล้วก็นําเราเข้าเตาเผ า, เ พ, าเพื่อที่จะเผาร่างกายนี้ให้กลายเป็นเท่าฐานไป ดังนั้นถ้าเราเข้าวัดหรือไปงานศพในลักษณะนี้เราไม่ขาดทุนเพราะเราได้เข้าไปเติมบุญเติมกุศลเราได้โปร่งสังเวชโปร่งอนิจจังทุกขังอนิจตาสร้างสติให้เกิดขึ้นสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นว่าสังขารทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปในที่สุด เพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราควรที่จะขวนขวายสะสมบุญบารมีเพราะว่าเมื่อเราตายไปแล้วคนอื่นเขาสะสมบุญบารมีให้เราไม่ได้บุญที่เขาอุทิศให้เรานั้นเป็นเพียงเศษบุญ เ, เพียงเสี้ยวหนึ่งของบุญที่เขาทำเท่านั้นถ้าเปรียบก็เปรียบเหมือนกับเงินที่ให้ขอทานหรือให้คนที่ไม่มีค่ารถ ที่จะเดินทางไปข้างหน้าเท่านั้นเองไม่ได้มีมากมายเท่าไรเลยเราจรึงไม่ต้องเราจรึงต้องไม่ประมาทไม่ไปหวังบุญจากผู้อื่นที่เขาจะอุทิศให้เราหลังจากที่เราตายไปแล้วเราควรที่จะสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเราในกในขณะที่เรายังมี ชีวิตอยู่อย่างน้อยที่สุดก็ควรที่จะเข้าวัดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งและถ้ามีพระเดินผ่านบ้านทุกๆวันก็ควรที่จะใส่บาท <c oughs> ทุกๆุกวันแล้วก็รักษาศีลห้าให้ได้ทุกๆุกวันเป็นอย่างน้อยถ้าเราทำได้เพียงเท่านี้เชื่อได้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะได้ไปสู่ สุคติอย่างแน่นอนโดยที่ไม่ต้องให้ใครเขามาขอให้เราไปสู่สุคติเพราะสิ่งเหล่านี้ขอกันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องทำกันเองตัวใครตัวมันพ่อแม่ก็ทำให้เราไม่ได้พี่น้องก็ทำให้เราไม่ได้ลูกหลานก็ทำให้เราไม่ได้เพื่อนฝูงก็ทำให้เราไม่ได้พระสงฆ์องค์เจ้า ก็ทำให้เราไม่ได้มีตัวเราเท่านั้นแหละที่จะทําทให้กับตัวของเราได้แต่ถ้าเราไม่ทําเรากลับไปหลงระเริงกับการหาความสุขในโลกซึ่งเปรียบเหมือนกับความสุขของผู้ที่ติดยาเสพติดเป็นความสุขที่จะสร้างความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปไม่ใช่เป็นความสุขที่จะทาให้เกิดความอิ่มเกิดความพอ จะต้องขวนขวายหาความสุขแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยและจะไม่สามารถอยู่เฉยเฉยอยู่เป็นสุขได้และเมื่อจะต้องหาความสุขแบบนี้ไปเรื่อยเื่อไม่ช้าก็เร็ว <c oughs> ก็จะต้อง <c oughs> ไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดศีลผิดธรรมเพราะเมื่อมีความอยากที่จะทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ไม่มีปัญญา คือไม่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองของตัวเองก็ต้องหาวิธีหาทรัพย์สินเงินทองด้วยวิธีต่างๆกันถ้าไม่มีความสามารถที่จะหามาได้ด้วยความสุจริตก็จะต้องหาปะหามาด้วยความทุจริตดังที่เราได้ยินได้ฟังในข่าวข่าวอยู่อย่างสม่ำเสมอเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการร่นเงินไป สิบกว่าล้านบาทเพราะต้องการจะเอาเงินนี้ไปหาความสุขนั่นเองแต่ในที่สุดก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเข้าคุกเข้าตารางความสุขที่ตนคิดว่าจะได้รับก็เลยกลายเป็นความทุกข์เพิ่มขึ้นมากกว่าถ้าเป็นคนฉลาด ร, รู้จักวิธีระงับดับความอยากต่างๆได้ ก็จะไม่ต้องไปกระทำบาป ก, กรรมความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้เราสามารถระ ง, งับดับได้หรืออย่างน้อยก็สามารถควบคุมให้อยู่ในกรอบของศีละธรรมได้ถ้าเราเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมแล้วนำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปปฏิบัติไปสร้างเกราะคุ้มกันหรือ ไปสร้างอาวุธไว้ต่อสู้กับความอยากถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องแล้วใจของเราจะมีกำลังที่จะที่จะฝืนความอยากฝืนความโลภได้แต่ถ้าเราไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังเทศน์ฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยทำบุญใส่บาตไม่เคยเสียสละไม่เคยรักษาศรรีล โอกาสที่จะต่อสู้กับความอยากที่จะฉุดลากให้เราไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นย่อมเป็นไปได้ยากและในที่สุดก็จะต้องพบกับความหายนะอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางหรือถ้ามากกว่านั้นก็จะต้องถูกเขาฆ่าตายหรือไม่เช่นนั้นก็ตัวเองก็ฆ่าตัวเองเพราะ ตลัวที่จะต้องถูกผู้อื่นเขามาทําร้ายเราเนื่องจากที่เราไปกระทำความไม่ดีไว้กับผู้อื่นนั่นเองนี่ก็เป็นเพราะว่าชีวิตขาดธรรมะขาดแสงสว่างมีแต่ความมืดบอดนำพาไปความมืดบอดก็จะบอกว่าความสุขของชีวิตเราก็อยู่ที่การเสกกรรมมุณคือเสกรูปเสียงกิ่ลรดโพธปิปัต เป่นคนที่จะต้องออกไปเที่ยวไปไปกินไปดื่มก็เป็นเพราะว่ามีความหลงครอบงำอยู่ถูกความความหลงหลอกให้ไปหาความสุขเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนกับความสุขของผู้ที่เสพยาเสพติดเพียงแต่ว่าไม่รุนแรงเท่ากับยาเสพติดยาเสพติดที่มีฤทธิ์ที่จะทำร้ายชีวิตและร่างกาย ที่รุนแรงและรวดเร็วกว่าความสุขที่เกิดจากการออกไปเที่ยวเที่ยวกินทเที่ยวเตรดังนั้นเราจึงควรที่จะคำนึงถึงเรื่องราวเหล่านี้เวลาที่เราจะทำอะไรเราควรที่จะใช้สติใช้ปัญญาเวลาที่คิดจะทำอะไร ถามตัวเราเองก่อนว่าสิ่งที่เราจะต้ะที่จะไปทํานี้มีผลดีผลเสียอย่างไรทําไปแล้ว <c oughs> ทําให้มีบุญมีกุศลเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือทําไปแล้วทําให้มีบาปมีกรรมเพิ่มขึ้นมาถ้าทําไปแล้วเป็นบุญเป็นกุศลอย่างคิดว่าจะมาวัดทุกๆวันพระเพื่อมาทําบุญมาฟังเทศฟังธรรม มาปฏิบัติธรรมถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็ควรที่จะทำเพราะเมื่อทำไปแล้วจะสร้างบุญสร้างผุสมสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับเราแต่ถ้าคิดว่าจะไปเที่ยวไปเล่นการพนันไปกินเหล้าเมายาไปหาความสุขจากการดื่มจากการกินก็ต้องคิดดูว่ามันมีประโยชน์หรือไม่ ประโยชน์ก็มีบ้างเพียงชั่วในขณะที่เราเสพเราเที่ยวแต่หลังจากนั้นแล้วเงินทองของเราก็จะล้อยหล่อลงไปเวลาก็ผ่านไปแทนที่จะเอาเวลาที่ไปเที่ยวไปเสพสิ่งเหล่านี้มาทำงานทำการทามาหากินเพื่อที่จะมีเงินทองเพิ่มขึ้นก็หมดไป แล้วเมื่อทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วเงินทองที่มีอยู่ในตัวก็จะต้องหมดสิ้นไปแล้วก็จะต้องตกทุกข์ลำบากต่อไปถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะได้ระ ง, งับดับความคิดบอกว่าอยู่บ้านดีกว่าถึงแม้มันจะหงดหีิบ้างก็ไม่เป็นไรเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแก้ดีกว่า ลองมานั่งไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆสักครึ่งชั่วโมงสักชั่วโมงหนึ่งใจจะเย็นใจจะสงบแล้วความรู้สึกหนุดหิดความว้าเหวความที่อยากจะออกไปหาเพื่อนออกไปเที่ยวก็จะเบาบางลงไปและจะไม่มีอํานาจพอที่จะผลักดันให้ต้องออกไปเสียเงินเสียทองเสียเวลา เมื่อจิตของเราได้รับการอบรมจากการว่าดราพสวดมนต์หรือจากการนั่งสมาธิจิตใจของเราจะสงบความอยากต่างๆก็จะรงับลงไปชั่วชั่วระยะหนึ่งทําให้มีความเบาเบาใจมีความสบายใจทําให้ไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งต่างๆมาดับความ รู้สึกที่ไม่ดีภายในใจนี่เป็นวิธีที่ดับความทุกข์ความอยากในใจที่ถูกต้องเพราะไม่ต้องเสียเงินเสียทองและไม่เสียเวลาและยังเป็นวิธีที่จะสร้างมิสัยที่ดีสร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์ความอยากให้มี <c oughs> กำลังมากยิ่งขึ้น และต่อไปความทุกข์ความอยากจะไม่สามารถนมามีอิทธิพล บ, บังคับส่งให้เราต้องไปแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกได้ชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่สุขสบายโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเลยอย่างชีวิตของพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้สร้างเกราะคุ้มกันหรือ เครื่องทำลายความทุกข์ความอยากภายในใจให้หมดสิ้นไปเมื่อไม่มีความทุกข์ความอยากมาเป็นตัวคอยผลักดันให้ต้องไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ท่านก็ไม่ต้องไปทำอะไรท่านก็เป็นคนที่ตั้งอยู่ในความสมมางบสงบไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครจรึงกลายเป็นคนที่น่าเคารพน่าเลื่อมใส พราะเป็นผู้ที่มีแต่ให้โดยถ่ายเดียวถ้าจะทำอะไรก็ทำเพื่อผู้อื่นเพราะสำหรับตัวท่านเองนั้นท่านมีพร้อมบริบูรณ์แล้วคือใจมีความอิ่มแล้วนั่นเองใจไม่หิวใจไม่อยากไม่ต้องการอะไรทั้งสิน้นนี่แหละคือสิ่งที่วิเศษสิ่งที่ดีที่งามที่มีอยู่ในตัวของเราอยู่ในใจของเรา เพียงแต่รอให้เรามาดูแลมาทำให้ให้เกิดขึ้นเท่านั้นเองแล้วจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในเบื้องต้นก็พยายามเข้าวัดอย่างต่อเนื่องทุกๆวันพระและเมื่อได้ปฏิบัติมากเพิ่มขึ้นไปจิตใจมีความสงบเย็นลงมากความหิวความอยากน้อยลงไป เวลาที่จะต้องออกไปหาความสุขภายนอกก็<ม>จะมีเหลือมากไว้สำหรับนำมาปฏิบัติธรรมทำเพิ่มขึ้นก็อาจจะเข้าวัดบ่อยขึ้นแทนที่จะมาทุกวันพระอาจจะมาเพิ่มขึ้นคือนอกจากวันพระแล้วอาจจะมาวันโกนด้วยและมาวันหลังวันพระด้วยคือแทนที่จะมาเพียงวันเดียว มาเพียงช่วงระยะตอนเช้าเท่านั้นก็จะมาอยู่สามวันยังมีโยมบางท่านได้ปฏิบัติมาคือมาอยู่วันโกรนแล้วอยู่ถึงวันหลังวันพระถึงค่อยกลับไปบ้างและเมื่อได้ปฏิบัติไปอย่างนี้มากๆแล้วต่อไปก็จะมาอยู่วัดมากเพิ่มขึ้นไปบางทีจะช่วงเวลาเข้าพรรษาก็จะมาอยู่วัดตลอดพรรษาเลย ดีไม่ดีก็จะบวชเป็นพระไปเลยก็เป็นไปได้เพราะว่าเมื่อมีการปฏิบัติไปอย่างต่อเนื่องแล้วความสุขความสบายใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นความอิ่งความพอก็จะมีมากขึ้นเลยทำให้ไม่มีความอยากที่จะต้องออกไปหาความสุขภายนอกเพราะรู้ว่าการหาความสุขภายนอกนี้เป็นภาระมาก พอจะต้องมีเงินทองและเงินทองก็ไม่ได้งอกขึ้นมาจากตัวเราเป็นสิ่งที่จะต้องหามาด้วยความเหนื่อยยากต้องทำมาหากินอยู่ถึงจะได้เงินทองมาแล้วกวาแล้วเมื่อเอาเงินทองนี้มาใช้เงินทองก็หมดไปความสุขที่ได้จากการใช้เงินทองก็หมดไปเช่นกันแล้วก็มีความอยากความหิวที่จะต้องออกไปหาความสุขข้างนอก เพิ่มขึ้นอีกก็ต้องไปหาเงินทองเพิ่มขึ้นอีกก็เลยกลายเป็นวัตจักที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่เมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมได้ต่อสู้กับความอยากจนความอยากเริ่มเบาบางไปใจของเราก็มีความอิ่มมีความสุขในตัวของมันเองก็เลยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเงินทองที่เมื่อก่อนรู้สึกว่า ไม่ค่อยพอใช้เริ่มมีเหลือเริ่มมีมากขึ้นเพราะไม่ได้ใช้นั่นเองถ้าใช้ก็ใช้เท่ากับสิ่งที่จำเป็นต่อการดารงชีวิตก็คือปัจจัยสี่ใช้ไว้สำหรับเสื้ อ, อาหามารับประทานซื้อเสื้อผ้ามาใส่ซื้อยามารักษาแล้วก็จ่ายค่าเช่าบ้านถ้าไม่มีบ้านของเราเองก็มีเท่านั้นเองที่มีความจาเป็นต่อการใช้เงินใช้ทอง ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราไม่ออกไปข้างนอกเราจะต้องไปเสียเงินทองอย่างไรไม่ต้องเสียเงินทองเลยแต่ทุกครั้งที่เราออกไปนอกบ้านเราก็ต้องเสียเงินเสียทอง